160ความจริงมีแต่ในผู้ตื่นผู้อยู่กับผวังไม่มีพุทธจึงต้องเป็นผู้ตื่นชาครซึ่งพระพุทธเจ้ามีข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดอะปันนกะปฏิปทาพระไตรปิฎกเล่ม20ข้อ455จึงต้องฝึกภาคเพียรให้ตื่นอยู่เป็นนี้ชาคริยานุโยคะซึ่งเป็นข้อหนึ่งในสข้อ ข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดสข้ออปันนะกะปฏิปทาสานี้ก็คือ 1. สำรวมอินทรีหกอินทรียสังวร 2. ความรู้จักประมาณในการกินโพชเนมัตตัญุตาสภาคเพียงปฏิบัติให้เป็นผู้ตื่นอยู่เป็นนิชชาคริยานุโยคะและความเป็นผู้ตื่นชาคระ ก็ไม่ใช่แค่หมายความว่าตื่นจากนอนหลับแล้วก็ตื่นลืมตาขึ้นมาจากนอนหลับเท่านั้นคือตื่นแต่ความเป็นผู้ตื่นของฟูธนั้นลึกล้ำเป็นปรมาถธรรมซึ่งเรื่องตื่นนี้คือ ที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงจิตเจตสิกรูปนิพพานในขณะที่มีกายซึ่งหมายถึงมีองค์ประกอบของรูปกับนามสัมผัสสัมพันธ์กันและปฏิบัติจนมีผลบรรลุความจริงของจิตนามเจตสิกนามรูปกระั่างนิพพานทีเดียว จึงจะชื่อว่าผู้ตื่นจากหลับหลงไหลในโลกีได้สมบูรณ์ซึ่งได้แก่ผู้ตื่นจากฝันคือตื่นจากหลงงมอยู่แต่ในฝันหลุดพ้นออกจากฝันมารู้จักรู้แจ้งรู้จริงความจริงผู้พ้นจากผวางเป็นคนผู้อยู่ในโลกใหม่โลกอื่นประลาโลกคือโลกตะละ จิตใจของคนที่พ้นจากโลกียะคือพ้นจากภพสามเลิกหลงจมอยู่กับภพบสามไม่หลงติดยึดภพสามกามพภบรูปภบอรูปภพอีกแล้วตลอดไปเป็นคนโลกใหม่โลกอื่นประโละโลกคือผู้เป็นคนโลกุตละ ชานี้แลคือผู้หลุดพ้นออกจากข่ายชาละตามพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนำมาประกาศแก่โลกแล้วออกมาปฏิบัติไปตามลำดับโดยกาหนดศีลห้าให้แก่ตนเป็นเบื้องตน้นอันเป็นวิธีที่เริ่มจากขนาดเล็กปริตา